จกได้เป็นพระเจ้าจักรพัติราชในแผ่นดินพันครั้งจกเป็นจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลกพันครั้งจกเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูร์นับไม่ถวนไม่เป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะหลังจากได้รับพุทธพยาของท่านอยู่เป็นอาสงไขยอ่นะสมบัติที่กล่าวมาแล้วนี้ทําไมท่านจะไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าท่านได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณหาประมาณไม่ได้ครั้นถึงพบที่สุด ถึงความเป็นมนุษย์จากคลอดจากคันของนางพรามณีชื่อว่าสารีสารีนี้แปลว่านางผู้มีสาระทำไมจึงเรียกว่านางสารีมีสาระนางนี้เป็นคนมีรูปสวยมากแล้วก็รวยด้วยทรัพย์มากตระกูลก็สูงก็เลยเรียกว่ามีสาระคือมีทรัพย์เป็นสาระมีรูปเป็นสาระตระกูลเป็นสาระก็เลยเรียกว่านางสารีบุตรของนางสารีชื่อว่าสารีบุตรผิวของพระสารีบุตรนี้เหมือนทองคา ธโมคลานะเนี่ยผิวเหมือนดอกอุบลเขียวนี่ก็เป็นผลที่ชมเชยพุทธยานของพระองค์นรนี้จากปรากฏตามชื่อและโครของมารดาโดยเชื่อว่าสารีบุตรคือบุตรของนางสารีจากมีปัญญาข่มกล้าจากเป็นผู้ไม่มีกังวลจากทิ้งทรัพย์ประมาณแปดสิบโกดแล้วออกบวชทรัพย์แปดร้อยล้านสมัยโบราก็ทิ้งหมดออกบวชเลยจากเที่ยวสแสวงหาสันติบททั่วแผ่นดินนี้ แผ่นดินเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยภาษาดิบ ท, ท่านโคจรไปหมดแต่ถามหาทางแห่งพนิพานไปเที่ยวถามหาว่าใครรู้จักนิพานบ้างจริงๆนะว่าไม่ใช่วิสัยของสาวกที่จะค้นคิดหานิพานได้ด้วยลําพังของตนเพราะว่านิพานเนี่ยปุถุชนแม้แต่ฝันยังไม่เคยฝันเห็นในรู้เป็นยังไงเพราะไม่รู้โดยที่สุดแม้แต่ความฝันในสังสารวัฏอันยืดยาวผู้ที่จะเห็นนิพานด้วยตนเองก็คือพระพุทธเจ้าสองประเภทเท่านั้น ส่วนบุคคลที่เหลือก็ต้องสแสวงหาอาจารย์กันภาษาริบบทลายท่องเที่ยวไปทั่วแผ่นดินนี้สกุลโอกากะสมพบในกลับอันตรมาณไม่ได้แต่กลับนี้พระาศาสดาพระนามว่าโคดมโดยพระโคดจักมีในโลกคือพระพุทธเจ้าของเราจะเกิดขึ้นในโลกหลังจากวันที่พระองพยากรณ์มาก็หนึ่งอสงไขยแสนกลับผู้นี้จะเป็นโอรสทายาทในธรรมะของพระาศาสดาพระองค์นั้น อันธรรมเนรมิตรแล้วจักได้เป็นพระอัคารสาวกมีพระนามว่าสารีบุตรแม่น้ำคงคาชื่อว่าภาคีรถีนี้ไหลมาแต่ประเทศหิมมวันย่อมไหลถึงมหาสมุทร ย, ยังห่วงน้ำใหญ่ให้เต็มฉันใดพระสารีบุตรนี้ก็ฉันนั้นเป็นผู้อาถรรพ์กล้าในพระเวทสามถึงที่สุดแห่งปัญญาบารมีจักยังสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มหนำสาราญ ถ้าฟังภาษาริบุตรเทศน์นี่อิ่มเป็นแน่เนี่ยนะเพราะว่าท่านเทศอย่างกว้างขวางพิสดารสุขุมลุ่มลึกพระสูตรที่เราฟังว่าง่ายๆไม่ค่อยยากนะไปดูคําอธิบายภาษาดิบุตรไปจะรู้ว่าไม่ธรรมดาก็ไปอ่านเล่มคุณสุจินชอบไหมเล่มหกสิบห้าหกสิหกหกสิเ็ดสามเล่มเนี่ย น, นะหกสิบแปดหกสิเก้าด้วยอะไหนๆก็ครบชุดของภาษาริบุตรท่านแสดงผลงานไว้ทุกนิกายทีคณิกายเนี่ยเช่นสังคีติสูตรสัมปัาธนียสูตร พระสุตรตะสูตรเนี่ยสูตรที่พิสดานสุขุมลุ่มลึกในของภาษารีบุตรมัชิมนิกายก็สัมมาทิฐิสูตรเป็นต้นสังยุตตนิกาย์แหละสังยุตตนี่เช่นท่านตอบปัญหาของพระมหากุฏิตะแล้วก็อังคุตอังคุดก็เช่นสีหนาสูตรเนี่ยพระสูตรที่ท่านบรรลือสีหนาตแต่ประการในอัฏฐกานิบาตแล้วก็ในคุถกานิกาย์แหละในคุถกานิก า, กายก็เช่นปฏิสัมพิธามัช จุลนิเทศมหานิเทศนี่พวกนี้ก็เป็นผลงานของภาษารีบุตรอภิธรรมปิดกนี่นะผู้ที่เอามาถ่ายทอดต่อก็คือภาษารีบุตรมาติกาสตันตภาชนีก็เป็นผลงานของภาษารีบุตรเพราะนั้นเป็นผู้มีปัญญามากหมู่สัตว์ทั้งหลายได้ฟังพระธรรมของภาษารีบุตรนี้อิ่มหนำสำราญเลยตั้งแต่ภูเขาหิมมวันจนถึงมหาสมุทรในระหว่างนี้ โดยจะนับทรายนี้นับไม่ท่วนการนับทรายแม้นั้นก็อาจนับได้โดยไม่เหลือฉั้นใดที่สุดแห่งปัญญาของพระสารีบุตรจะไม่มีฉันนั้นเหมือนกันทรายนี่นะนับตั้งแต่เนปานไลไหลไปจนถึงทะเลที่ตละลักะต้าแถวนั้นน่ะนะทรายเนี่ยกี่เม็ดพอนับได้แต่ปัญญาพระสารีบุตรนับไม่ได้นะปัญญามากมายขนาดนั้นนะท่านให้เราสักกรอบหนึ่งนี่ก็เอาไปใช้ได้ไม่มีจบมีสิ้นนะะ แต่ว่าของใครก็ของใครนะเพราะปัญญาเป็นนามะธรรมใครสั่งสมมาก็ของคนนั้นเลยมันแจกกันไม่ได้เมื่อตั้งคะแนนไว้เนี่ยนะทรายในแม่น้าําคงคาพึงสิ้นไปฉันใดแต่ที่สุดแห่งปัญญาของพระสารีบุตรจักไม่เป็นฉันนั้นเลยเคลื่นในมหาสมุทรโดยจะนับก็ น, นับไม่ท้วนฉันใดที่สุดแห่งปัญญาพระสารีบุตรจักไม่มีฉันนั้นเหมือนกันใครเคยดูคลื่นในทะเลบั้งคลื่อนทะเลเนี่ยเราลอกแล้วเราลอกเล่าสุดแท้แต่มีลม ยิ่งลมมากคลื่นก็มากฉันใดปัญญาภาษาริบุตรก็ฉันนั้นถ้ายิ่งมีผู้ถามด้วยแล้วก็ยิ่งตอบไม่มีจบภาษาริบุตรยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สักยะโคโดมสูงสุดให้โปรดปราณแล้วจักได้เป็นพระอัครสาวกถึงที่สุดแห่งปัญญาจักยังธรรมจักที่พระผู้มีพระภาคสักยะบุตรให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบจักยังเมล็ดฝนคือธรรมะให้ตกลง เวลาท่านแสดงธรรมแต่ละครั้งก็เหมือนกับฝนตกลงมาเนี่ยนะยังแผ่นดินคือจิตใจของสหธรรมิกทั้งหลายให้เย็นฉับพุทธบริษัทพิสุทธิษุนีอุบาศกอุบาสิกาเนี่ยฟังแล้วก็ปราบปลื้มปราโมชยินดียิ่งนักภาษาริบุตรนั้นมีความสามารถจนถึงขนาดว่าท่านปรินิพาเนี่ยพระอนนท์นั่งสุมเลยทิศทั้งหมดไม่ปรากฏและลึกไม่ได้ว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศ ต, ทตะวันออกทิศตะวันตก คือท่านดีขนาดนั้นเนี่ยดีจนถึงขนาดเรียกว่าพระนนเนี่ยเสียใจมากเลยที่ภาษาริบตรดับขันปรินิพานซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนนะที่พระนนจะเสียใจให้เพราะจริงๆแล้วท่านเป็นผู้ที่มั่นคงมากๆเลยพระนนเนี่ยเป็นผู้มีสติมีคติเป็นพระหูสูตรเป็นพุทธอุปถากมีความโลดอยู่ในตัวตั้งเยอะแยะไปหมดเลยมีปัญญาเนี่ยไม่ธรรมดาท่านเศร้าให้ภาษาริบุตรเศร้าให้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นท่านสีย็ใจมากที่ภาษาริบุตรดับขันปรินิพานพระองค์ก็ถามมาดูก่อนอนุนภาษาริบุตรเนี่ยพาเอาสีละขันสมาธิขันปัญญาขันปรินิพานไปด้วยหรือไม่ <leak. S 2> ใช่อย่างนั้นหรอกพระเจ้าค่ะแต่ว่าภาษาดิบเป็นผู้อนุเคราะห์สหธรรมิกเป็นผู้ที่สงเคราะห์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นผู้สงเคราะห์อนุเคราะห์เหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายเนี่ย ภาษีบทรปริญญาานไปเนี่ยจึงถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าอริยคุณทั้งหลายภาษารีบุตรไม่ได้พาเอาไปด้วยหรอกก็เพราะว่าผู้ใดปฏิบัติก็จะมีอยู่ในในตัวของบุคคลนั้นนั่นแลพระโคดมผู้ศั ก, กยะสูงสุดทรงทราบข้อนั้นคือทรงทราบความที่ภาษารีบุตรมีปัญญาจักประทับนั่งในถ้ำกลางพึกสุส่งทรงตั้งไว้ในตําแหน่งอัครสาวกอัครก็คือเป็นผู้เลิศที่สุด เลอที่สุดในบรรดาสาวกทั้งหลายเขาเรียกว่าสาวกองค์ที่หนึ่งคือภาษารีบุตรองค์ที่สองพระโมคคัลลานะองค์ที่สามพระมหากระสตะองค์ที่สี่เป็นต้นไม่กล่าวว่าคือผู้ใดกล่าวเฉพาะสามองค์เลยนะคําเหล่านี้เป็นคํำภาษารีบุตรที่ท่านอุทานว่าโอ้กุศลธรรมกุศลกรรมเราได้ทําแล้วเราได้ทําการบูชาพระศ า, ศาสดาพระนามว่าอนุมัติสีด้วยดอกไม้แล้วได้ถึงที่สุดในที่ทุกแห่ง กรรมที่เราได้ทําแล้วประมาทไม่ได้ท่านทําบุญเยอะนะท่านทําบุญเนี่ยไม่รู้จะนับแค่ไหนว่าบุญที่ท่านทําไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงผลแก่เราในที่นี้เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วเปรียบเหมือนกําลังลูกศอนอันพ้นแล้วด้วยดีพ้นกิเลสเหมือนอะไรบอกว่าเหมือนลูกศรที่มันยิงไปพ้นคันนั้นเหมือนลูกตืนที่แล่นไปพ้นพ้นกระบอกเปิดผู้ที่สิ้นกิเลสก็ฉันนั้นเรากิเลสทั้งเหลืออยู่เลยนึกไม่เคยออก เหมือนกับไข้ขึ้นเกิดมาป่วยมาตลอดเอ้พายป่วยนี่มันเป็นยังไงนึกไม่เคยออกเรานี้สแสวงหาบทอันปัดใ จ, จไม่ปรุงแต่งเป็นบทที่ดับสนิทไม่หวั่นไหวคนหาลัทธิทั้งปวงอยู่ท่องเที่ยวไปแล้วในภพสแสวงหาเหลือกเกินเนี่ยหาอาสังคตมมะธาตหาอมตะบทหาจนเข้าไปทุกลัทธิที่เขามีอยู่ในบรรดาลัทธิที่มีอยู่ในโลกเนี่ย เข้าไปเรียนมาหมดเขามีลัที่ว่ายังไงไปเรียนดูสิเผื่อเขาจะเห็นเห็นท่านิพานมัง่งเที่ยวไปก็ไม่พบคนเป็นไข้พึงสแสวงหาโอสถจำต้องสั่งสมทรัพย์ไว้ทุกอย่างเพื่อข้ามพ้นจากความป่วยไข่ฉันใดเราก็ฉะนั้นสแสวงหาบทอันตักใจไม่ปรุงแต่งดับสนิทไม่หวั่นไหวได้บวชเป็นฤาษีห้าร้อยครั้งไม่มีอะไรขั้นเลยทุกชาติที่เป็นมนุษย์บวชติดกันอยู่ห้าร้อยชาติ บวชหานิพานเนี่ยก็ยังไม่พบอ่ะนะเราส่งชดาเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยหาบคอนนุ่งหม่มหนังเสือถึงที่สุดอภินยาแล้วได้ไปสู่พรหมโลกความบริสุทธิ์ในละทิพยนอกไม่มีเว้นศาสนาของพระชินเจ้าเว้นจากศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่จะทำให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวไม่มีหรอกทั้งๆ ท, ที่ตลอดห้าร้ยชาติติดกันมาเนี่ยนะท่านกลับไปพรหมโลกเกือบทุกชาติ ไปอยู่พรหมโลกแล้วกลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไปพรหมโลกกลับมาเป็นมนุษย์ติดกันห้าร้อยชาติไม่ธรรมดานะเฉพาะนับชาติที่เป็นมนุษย์นะห้าร้อยชาติถ้าบวกกับพรหมอีกก็หลายกับสัตว์ผู้มีปัญญาทั้งปวงย่อมบริสุทธิ์ได้ในาศาสนาของพระชินเจ้าฉะนั้นเราจึงไม่นำเรานี้ผู้ไขประโยชน์ไปในลทัทธิภายนอกท่านบอกเลยนะว่าท่านต้องการประโยชน์คือพระนิพพาน เมื่อท่านต้องการนิพพานท่านจึงไม่ต้องไปหาในลทัทธิอื่นคือนอกจากศาสนาของพระพุทธเจ้าเราแสวงหาบทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งเที่ยวไปสู่ลทัทธิอันผิดบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้จึงตัดต้นกล้วยแล้วผ่าออกก็ไม่พึงได้แก่นแม้ในต้นกล้วยนั้นเพราะมันว่างจากแก่นฉันใดคนในโลกนี้ผู้เป็นเดรัจฉีเป็นอันมากมีทิฏฐิต่างกันก็ฉันนั้น สารพัดลัทธิก็เหมือนกับสารพัดต้นกล้วยเนี่ยต้นกล้วยมันจะมีกี่พันก็ตามถ้าเผาออกมาแล้วหาแก่นไม่เจอเหมือนกันมันจะมีต้นกล้วยกี่ประเภทเนี่ยนะเมื่อไม่นมานานี้โยมก็เอาต้นกล้วยมาหาชนกไปให้ปลูกเนี่ยนะก็ไปปลูกไว้ยังไม่ออกลูกเลยแต่ว่าต้นกล้วยมันจะกล้วยป่ากล้วยบ้านกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าต้นมันจะอวดจะใหญ่ขนาดไหนเผาออกมาแล้วก็ไม่มีแก่นฉันนั้นคนเหล่านั้นเป็นผู้ว่างเปล่าจากอสังคตะบท เหมือนต้นกล้วยว่างเปล่าจากแก่นฉะนั้นเพราะไม่มีใครเห็นอสังขตะธ า, จ, า, า, า, าจริงๆเลยนะก็อย่างที่ผู้ ก, การชอบพูดว่าเนี่ยนะเขาเนี่ยเยกะๆไปหมดเนี่ยไม่มีใครคิดถึงเรื่องอริยสัจเลยแม้แต่คนเดียวบางแห่งนะเวลานั่งด้วยกันสองคนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครคิดถึงอริยสัจแม้แต่คนเดียวเมืิทราบผู้การได้ไปสอบถามเขาบ้างหรือเปล่าไหนะคุณคิดจะไงเรื่องอริยสัจอย่างนี้นะจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าหากว่า อริยสัตว์นะเป็นสิ่งที่มูสัตว์ปรารถนาจริงๆนะคนจะเรียนพระไตรปิดกกว่านี้เยอะพระไตรปิดกจะขายดีกว่านี้เยอะแต่เนื่องจากว่ามูสัตต์ทั้งหลายไม่สแสวงหาการป ร, รัารถอริยสัตว์อย่างแท้จริงก็เลยเป็นแบบนี้ถ้าไม่ปรารุอริยสัตว์แล้วนิพพานอยู่ที่ไหนล่ะเพราะนิพพานอยู่ที่การปรัารุอริยสัตว์ใช่ไหมทุกทุกขสมุทยัยนิพพานก็คือทุกขานิโรธทุกขานิโรธจะบรรลุได้ก็อาศัย ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทามันอริยสัจสี่ต้องบริบูรณ์ใช่ไหมการตรัสรู้จึงจะมีขึ้นถ้าไม่น้อมไปเพื่อรู้อริยสัจมันจะบรรลุอะไรได้เพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวได้เลยว่าลทัทธิทั้งหมดว่างจากพระนิพพานเพราละลัทธิทั้งหมดเหล่านั้นไม่ก่อให้เกิดการตรัสรู้อริยสัจยมว้นอยู่เมกาตั้งหลายปีนี่เห็นใครพูดถึงอริยสัจบ้างไหมไม่มีเลยนะ ก็พูดแต่เรื่องปัญหาเกิดแก่เจ็บตายนี่พูดพูดเรื่องปัญหานี่พูดแต่ว่าไม่ได้พูดเพื่อรู้อริยสัจพูดทํายังไงจะได้ไม่ตายกับพูดจะทํายังไงตัญหาจะได้เกิดเยอะๆผู้การบอกว่าหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าทําให้คนมีตัญหาได้ก็ประสบความสําเร็จวิชาการในโลกนี้ไม่ได้ช่วยทําให้แทงตลอดพระนิพ่านอะไรได้เลยเพราะอะไรเพราะมีแต่ส่งเสริมวัตตะทำวัตตะให้ยาวขึ้นยาวขึ้น อย่าว่าสถานที่อื่นๆหรืแม้แต่ในโรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยคนเกิดก็อยู่นั่นคนป่วยก็อยู่นั่นคนแก่ก็อยู่นั่นคนตายก็อยู่นั่นพยาบาลเห็นอริยสัจกี่คนพูดอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์เกตจะเสียใจเอาอ๋อไม่เสียใจนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็อริยสัจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมดานะอ๋อกำลังท่องอยู่นะรุ่นนี้กําลังริ่มท่องอริยสัจวันพรุ่งนี้ก็ได้นะจะให้อาจารย์เกตสุดาสาทยายทุกขสัจให้ฟัง เดีวคืนนี้กลับไปซ่อมๆมาหน่อยเดี๋ยวจะได้สาธยายแบบพี่อิสาธยายแบบเนี้ยทีนี้ย้อนกลับมาในที่เก่าอีกนะวา่าลัที่อื่นที่ว่างจากอสังกตธาตุครั้นเมื่อพบถึงที่สุดแล้วเราได้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพราหมณ์เราละทิ้งโภกคสมบัติเป็นอันมากแล้วออกบวชเป็นบรนตชิดข้าพราะองค์เนี่ยบวชอยู่ในสำนักพราหมณ์นามว่าสันชัยซึ่งเป็นผู้เล่าเรียนทรงจำมนรู้จบไตรีเพศ อาจารย์สัญชัยนี่แกจบปลายเพศนะแต่ลัฐที่ของแกเนี่ยอยู่บนอมราวิเคปกเขาบอกว่าท่านว่าอย่างนี้ใช่ไหมบอกไม่ใช่ท่านว่าไม่ใช่ใช่ไหมบอกไม่ใช่ท่านว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมบอกข้าพเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เขาก็รัฐที่แบบเนี้ยแต่เขาทรงปลาเทศนะอย่าคิดว่าเขาโง่นะรู้ไปหมดอ่ะแต่าหลักการของเขาเนี่ยมันแปลกๆดีเหมือนกันตกลงว่าเอาไงก็ยังไม่ว่าอย่างไงแลักษณะั้น สรพก็เลยร ด, ดิ้นได้เสมอเนี่ยนะไม่รู้จะเอาอยัางไงนะเรียกลัทธิปลาไหลอ ม, มาราอ ม, มารานี่ก็คือไม่ทายนะก็คือกลุม่มลัทธิปะาไหลนั่นเองข้าแต่พระมหาวีระพรามชื่อว่าอัศชิสาวกของพระองค์พรามในที่นี้หมายถึงผู้ลอยบาปเสร็จแล้วพระอัศชิก็เดี๋ยวเราไปที่ธาราณสีท่านก็เป็นผู้ที่หนึ่งในปัญจวัคคีเป็นรูปที่ห้า มัรลุเป็นพระโสดาบันในวันแรมสี่ขั้พระสัชชิบรรลุแรมห้าขั้ก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ช่วงเข้าพรรษา น, นั่นแหละในพูดถึงพระสัชชิตอนหลังท่านก็เป็นพระอาหารหันต์ใช่ไหมหาผู้เสมอได้ยากมีเดชรุ่งเรืองเที่ยวบินธบาติอยู่ในกาละนั้นข้าพราะองค์ได้เห็นท่านผู้มีปัญญาภาษาดิบุตรนี่รู้เลยนะว่าดูจากกิริยาการเดินเนี่ก็รู้แล้วว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญา ท่านนี้เป็นมุนีคือเป็นผู้มีโมนยธรรมทางกายทางวาจาและทางใจมีจิตตั้งมั่นในความเป็นมุนีมีจิตสงบระงับเป็นมหานาเราเป็นผู้ประเสริฐที่ยิ่งใหญ่มากเย้มบานเหมือนดอกบัวขั้นค่าพราะองค์เห็นท่านผู้มีอินทรีย์ฝึกดีแล้วก็คือฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจเสร็จแล้วมีใจบริสุทธิ์อง์อาจประเสริฐมีความเพียรจึงเกิดความคิดว่า ท่านผู้นี้จักเป็นพระอรหันต์ท่านผู้นี้มีอิริยาบทหน้าเลื่อมใสมีรูปงามสำรวมดีจักเป็นผู้ฝึกแล้วในอุบายเครื่องฝึกอันสูงสุดเครื่องฝึกที่สูงสุดก็คืออะไรอริยมรรตจักเป็นผู้เห็นอมตะบทเราพึงถามท่านผู้มีใจยินดีถึงประโยชน์อันสูงสุดหากเราถามแล้วท่านก็จะตอบเราจะสอบถามท่านอีก ข้าพระองค์ก็ได้ติดตามหลังของท่านซึ่งกำลังเที่ยวบินธบาตรอคอยโอกาสเพื่อจะสอบถามอมะตะบทข้าพระองค์เข้าไปหาท่านซึ่งพักอยู่ในระหว่างถนนแล้วได้ถามว่าข้าแต่ท่านผู้เนรทุกมีความเพียรท่านมีโคษอย่างไรท่านเป็นศิษย์ของใครท่านอันข้าพระเจ้าถามแล้วไม่คั้นครามดังพยากราสอนพยากรว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัิขึ้นแล้วในโลก อิทะสัมมาสัมพุทธโธอุปโนโลเกตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้พระองค์เกิดขึ้นแล้วในโลกนะของเราล่ะเราต้องพูดใหม่ว่าตอนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริญนิพานจากโลกไปแล้ว <c oughs> เหลือไว้พระธรรมเนี่ยนะก็ต้องพูดกลับกันอย่างนี้บ้างนะพระองค์นี้อุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกอาตมาเนี่ยหรือว่าชันเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพระองค์ท่านผู้มีความเพียรใหญ่ผู้เกิดตามมียศมากคือเป็นสิทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า าศาสนาธรรมแห่งพระพุทธเจ้าของท่านเนี่ยเป็นเช่นไรถามเลยนะถามที่ประเด็นสาระเลยถ้าสมัยนี้ก็ถามว่าท่านสายไหนไงสมัยก่อนว่าหลักการของท่านเป็นยังไงนะสมัยนี้เขาถามแต่สายเขาก็รู้แล้วกระตกไปที่ต้นขวดก็รู้แล้วก็จะคุยอะไรกันมากคือสมัยก่อนมันไม่มีตําราไอ้รับที่ของแต่ละสายมาเป็นแบบสมัยทุกวันนี้สมัยทุกวันมันตาราผลิตออกมาแต่ละสายพอแค่กระตกไปบอกว่ามาจากขัวไหนก็พอละ นี่ก็ลักษณะเดียวกันถ้าสมัยโบราณก็จะถามมาเอาลัทธิของท่านเนี่ยเป็นเช่นไราศาสนาธรรมคือคําสอนระเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติของท่านนี้เป็นอย่างไรขอได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านอันข้าพระองค์ถามแล้วท่านกล่าวบทอันลึกซึ้งละเอียดทุกอย่างซึ่งพระสัชชิก็แสดงบทที่ลึกซึ้งที่ละเอียดสงบระงับเป็นเครื่องฆ่าลูกสอนคือตันหาเป็นเครื่องบรรเทาทุกทั้งมวล ว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดอันนี้คือคำสอนหลักการที่ลึกซึ้งมากรมเหล่าใดไมายถึงอุปาทานขันห้าเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดตันขันห้าทุกขันเกิดด้วยเหตุพระตถ า, าคตเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นตรัสเหตุคืออะไรสมุทัยใช่ไหมและความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นก็แสดงทุกทุกขสมุทัยกับทุกขนโรธ พูดแค่นี้เนี่ยนะมัคนี่ไม่ต้องพูดเพราะมัคเนี่ยคือตัวที่ทําปริญญาในทุกขและทุกขสมุ ท, ทยัยทําทุกขานิโรธให้แจ้งอะ่ะตัวที่เข้าไปทํากิจอันนั้นแหละคือมัคเพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องกล่าวมัคอะไรถ้ามหาสมณะเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้มันฟังปั๊บบรรลุเลยของเรานี่รอบที่เท่าไหร่ละคุณนภารเป็นสาวรอบแล้วเมื่อท่านทรสชชีแก้ปัญหาแล้วข้าพราะองค์ได้บรรลุผลที่หนึ่ง คือโสดาปฏิพันธเป็นผู้ปราศจากทุลีปราศจากมณทินเพราะได้ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคําที่พระสชชีไ ป, ปกล่าวก็คือกล่าวตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองข้าพระองค์ได้ฟังคําของท่านมุนีได้เห็นธรรมะอันสูงสุดได้อย่างลงสู่พระศัทธรรมคืออะไรคือโพธิปักขิยธรรมเป็นต้นนั่นเองได้กล่าวคาถานี้ว่าธรรมนี้แลเหมือนบทอันมีสภาพ อันเห็นประจักษ์ไม่มีความโศกข้าพระองค์ไม่ได้เห็นแล้วล่วงเลยไปแล้วหลายหมื่นกลับเที่ยวหาอ ม, มาตะนิพานเนี่ยหามาเป็นหมื่นหมื่นกลับแล้วของเราเนี่คิดหานิพานตั้ ง, งอายุเท่าไหร่เนี้ยก็ลองมาดูนะเพื่เนิ่นนานเท่าไหร่หลายปีนะพุกกานอาจจะหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วหาบทอันสงบเนี่ยนะหามานอนแล้วนะตันสันติก็หามานอนเต็มทีแล้วตอนนี้ก็เกือบเกือ บ, บจะเจอแล้วมั้งอยู่ตรงไหนไม่ทราบอยู่แถวแถวจักรคูนี่แหละ เมื่อได้เห็นสภาพอันประจักษ์ไม่มีความโศกข้าพระองค์ไม่ได้เห็นอย่างนี้จึงล่วงเลยมาล่ายหมือนกับข้าพระองค์สแสวงหาธรรมอยู่ได้เที่ยวไปในรัตที่ผิดประโยชน์คือนิพพานนั้นข้าพระองค์บรรลุแล้วไม่ใช่กาละที่เราจะประมาทคือตอนเนี้ท่านก็ได้เห็นจริงๆแล้วนะแต่ของเราก็ยังหาอยู่อีกอยู่ดีคําว่าหาในที่นี้หมายความว่าจะต้องวิจัยอริยสัจจนกว่า จะเห็นเนี่ยการเลือกเฟ้นการวิจัยใครควรอริยสัจนั้นเป็นกิจที่เราจะต้องทํากันต่อไปใช่ไหมตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าข้อปฏิบัติหรือหนทางที่จะทําให้เราถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือการแทงตลอดอริยสัจการเห็นอริยสัจจะทําให้เราพ้นทุกข์แล้วทีนี้มันอริยสัจมันคืออะไรล่ะนี้จึงบอกนี่เห็นหน้าแขกปั๊บแบบนี้ทุกข์นะก็พ ย, ยายามชวนบอกเรื่อยๆนะเผื่อจะเอาไปคิดบ้างนะแต่คุณการตาอาจจะเอาไปใช้ได้เยอะแล้วเมื่อกี้เล่าให้ฟังก็ดู เข่าเข้าไปเยอะเหมือนกันนี้ทุกเนี่ยนะก็พยายามคิดไว้เยอะๆนะก็ได้ยินลืมตาปั๊บกว่นี้ทุกเข้ามาเลยเนี่ยนะไปยินเสียงอะไรแวาขึ้นมากว่า น, นี้ทุกมันคิดอะไรขึ้นมาปั๊บนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยเนี่ยนะเห็นหน้าใครปั๊บตอนนี้ทุกเห็นคุณภาพตปับกว่นี้ทุกอย่างเงี้ยเลยก็ว่าอย่างเงี้ยไปประจําแต่ถ้าว่าอย่างเงี้บ่อยๆไม่ทุกนะแต่ถ้าไม่ว่านี่แต่เริ่มทุกแล้วเพราะมันตำหามันเข้าไปแทน ถ้าเข้าไปหวังกับอะไรแล้วไม่ได้ทุกกลับมาเนี่ยหายากนะเดี๋ยวจนได้นะคุณนอะไรนะแม้แต่ฐานสองก้อนอยังได้กลับมาเลยนะจะกล่าวไปยายถึงอย่างอื่นเล่าเนี่ยนะเมื่อก็ น, นี้ทุกเนี่ยไม่มีผิดแล้วเพราะงั้นทุกชิ้นเลยเนี่ยแทนเทียนอันนี้ก็ น, นี้ทุกเนี่ยไม่มีผิดนะแอร์เย็นสบายเดอเดี๋ยวมันดับพอมันมนี้ทุกเข้ามาแล้วนะอะไรมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกเนี่ยนะดูใหญ่โตสบายเนี่ยนะไปดูเจ้าของเนี่ยมันนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ที่เรามานั่งฟังทำกันเย็นสบายเลยนะเจ้าของโรงแรมเนี่ยไม่รู้ว่าหลับฝันดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบนี่นะนั่นก็นี้ทุกเนี่ยนะมาชี้ไม่ผิดนะนะก้อนทุกทั้งนั้นเน่ยนะผู้ที่เห็นอริยสัจแล้วเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนั้นเราทั้งหลายก็ภาคเพียรพยายามเพื่อให้เห็นอริยสัจโดยความไม่ประมาทคือถ้าจะประมาทก็หลังเห็นอริยสัจแล้วค่อยประมาทอีกทีหนึ่งตอนที่ยังไม่เห็นอริยสัจนี่อย่าเพิ่งประมาทเลย พรเผลอไปอีกทีหนึ่งอ้าวเจอกันที่ไหนกันนี้มันจะท่านกอมา้าข้าพเจ้ากอมามาดูทชมกันอยู่นี่อีกแล้วเนะาะมาเป็นฝูงเลยอย่างเงี้ยนะคานี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาเป็นฝูงเลยมาเป็นฝูงเลยเนี่ยไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่นะนะโอ้มาเป็นคณะเลยนะคณะผู้ทําบุญเนี้ยใครยังชั่วไหนะคณะผู้มีศรัทธาใคร ย, ยังชั่วไหนหรือคณะรักธรรมใคร ย, ยังชั่วไหนจะได้ฟังธรรมเยอะๆหน่อย ตอนนี้เราก็มากับคณะรักธรทำกันเลยฟังแต่ทำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้บรรลุอริยสัจแล้วก็ไม่ใช่กาละที่ท่านจะประมาทข้าพระองค์อันท่านท้าสัชชีให้ยินดีแล้วบรรลุบทอันไม่หวันไหวสแสวงหาสหายอยู่จึงได้ไปยังอาสมก็ไปหาเพื่อนใช่ไหมเพราะได้สัญญากันแล้วว่าใครเห็นพระนิพพานก่อนต้องบอกกันสหายเห็นข้าพระองค์แต่ไกลเทียวอันข้าพระองค์ให้ศึกษาดีแล้วถึงพร้อมด้วยอิริยาบถ ได้กล่าวคำนี้ว่าท่านผู้มีหน้าและตาอันผ่องใสย่อมเห็นความเป็นมุนีแน่ท่านได้บรรลุอมตะบทอันดับสนิทไม่เคลื่อนเลหรืออันนี้คำถามของพระมหาโมคคลานะที่ถามท่านมีรูปงามราวกับว่าความไม่หวั่นไหวอันได้ทำแล้วมาแล้วฝึกแล้วในอุบายอันฝึกแล้วเป็นผู้สงบประงับแล้วหรือพราม ก็เขคุยกันด้วยคําที่ไพเราะเคารพกันมากเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เล็กมาเลยอ่ะแต่ว่าแต่ละฝ่ายนี่จะเคารพซึ่งกันและกันมากภาษาลีบุตรก็บอกว่าเราได้บรรลุอมตะบทอันเป็นเครื่องบรรเทาลูกสอนคือความโศกแล้วแม้ท่านก็จงบรรลุอมตะบทนั้นแล้วก็ประกาศทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุเกิดของธรรมเหล่านั้นและความดับธรรมเหล่านั้นพระพุทธเจ้านี่มีปกติสอนอย่างนี้แล้ ก็เลยบรรลุก็เลยชวนกันไปในสำนักพระพุทธเจ้าสหายผู้อันฆ่าพระองค์ให้ศึกษาดีแล้วรับคําแล้วได้จูงมือพากันเข้ามายังสำนักของพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้สักยรดสักยรสก็คือสักยะกับโอรสก็คือโอรสของเจ้าสักยะแม้ข่าพระองค์ทั้งสองจักบวชในสำนักของพระองค์จักขออาศัยคําสอนของพระองค์ผู้ไม่มีอาสวะโย ท่านโกลิตะเป็นผู้ประเสริฐด้วยฤทธิ์ข้าพระองค์ถึงที่สุดแห่งปัญญาเราทั้งสองจงร่วมกันทาพระศาสนาให้งามเราทั้งสองมาช่วยกันประกาศอธิศีลสิึกษาที่จิตศิกษาที่ปัญญาศิกษาทาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้งอกงามเรามีความดําริยังไม่ถึงที่สุดจึงเที่ยวไปในลทัทธิผิดเพราะได้อาศัยทัศนะของท่าน คือของพระพุทธเจ้าความดํำริของเราจึงเต็มเปี่ยมไปเที่ยวหาอาจารย์ตั้งเก้าสิบกว่าช า, าก็ไม่ได้สําเร็จอะไรเลยสักอย่างพอได้เห็นพระอาสชีเห็นพระพุทธเจ้าก็ประสบความสําเร็จความปรารถนาที่ตั้งไว้หนึ่งอสงไขยแสนกับก็ประสบความสําเร็จหมดต้นไม้ตั้งอยู่บนแผ่นดินมีดอกบานตามฤดูการส่งกลิ่นหอมตลบอบ อ, บอวนยางสัตว์ทั้งปวงให้ยินดีฉันดาย ข้าแต่พระมหาวีระสากโยรสผู้มียศใหญ่ข้าพระองค์ก็ฉันนั้นดำรงอยู่ในาศาสนธรรมของพระองค์แล้วย่อมแบ่งบาลในสมัยข้าพระองค์สแสวงหาดอกไม้คือวิมุติเวลาเห็นดอกไม้ให้นึกถึงเมื่อไร่เนาะดอกไม้ของเราคือวิมุตจะบาลเมื่อไหรเนาะดอกวิมุตจะบาลสักทีหนึ่งพีสเกือบเรียกดอกวิมุตจะบาลเมื่อไหร่เนอ ถ้าหากว่าดอกวิมุตบานก็เป็นที่พ้นพพสงสารพ้นพพสามใช่ไหมพ้นขันท่าอายตนาสักทีหนึ่งอึดอัดเป็นทีแล้วว่างั้นยังสั์ทั้งตัวให้ยินดีด้วยการให้ดอกไม้คือวิมุตยืนดอกไม้คือวิมุตให้กันจะได้เบ่งบานสักทีข่าแต่พระองค์ผู้มีจักษุเว้นพระมหามุนีแล้วตลอดพุทธเขตไม่มีใครเสมอด้วยปัญญาของข่าพระพุทธเจ้า กู้เป็นบุตรของพระองค์บอกว่าลูกของพระองค์เนี่ยมีปัญญาน้อยกว่าพระองค์เท่านั้นแหละที่เหลือนี่มีปัญญามากกว่าคนอื่นทั้งหมดพระสารีบุตรก็กล่าวชื่นชมพระสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยว่าสิทธิและบริสัทของพระองค์พระองค์แนะนําดีแล้วให้ศึกษาดีแล้วฝึกแล้วในอุบายเครื่องฝึกจิตอันสูงสุดย่อมแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อ นึกเลยนะว่าโมสาวกทั้งหลายที่ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมูสัตวเนี่ยนะว่ารวมๆแล้วมันธาตเสมอกันอย่างที่ตาหมหาโคสิงค์คาสารวันตานั้นเนี่ยเขาบอกว่าประกาศตามทานุเลยพวกปัญญา ม, มากก็ไปคบกับพวกมีปัญญา ม, มากพวกชอบเรียนก็ไปอยู่กับกลุ่มเรียนพวกทุดงกละชอบอยู่กับพวกสุดงเป็นต้นเนี่ยก็เรียกว่าอยู่กันเป็นททาตเป็นพวกพวก ของเราก็แสดงว่าธาตุมันใกล้กันนะตอนนี้ไม่แน่นะธาตุมันแยกได้แยกได้รวมได้เดี๋ยวก็สลับธาตุได้แต่ว่าตอนใดธาตุมันเป็นยังไงมันก็จะไปรวมกลุ่มกันเมื่อเช้าเนี่ยคุณต้าสุรีก็กล่าวคํานี้อยู่เหมือนกันเออธาตุนี่มันเสมอเสมอกันเนาะว่างั้นคิดอะไรก็คิดคล้ายๆกันเนาะว่างั้นนะก็คิดอะไรคล้ายๆกันก็แสดงว่าเสมอกันด้วยธาตุตอนนี้เรามีธาตุเสมอกันคือธาตุที่เลื่อมใสใน พระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระธรมรมเลื่อมใสในความปฏิบัติดีทั้งหลายของพระสงฆ์เลื่อมใสในสังเวชนีเจสถานตอนนี้มีท่าตรงนี้เสมอกันก็เลยมาด้วยกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหมู่พระสงฆ์ทั้งหลายที่ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหล่านั้นไม่มีใครกระจอกสักคนหรอกนะจะต้องเป็นผู้ที่แนะนําดีแล้วแนะนําก็มาจากเวไนก็คือวิไนท่านเหล่านั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสังวรวิไนและ ทหารวินัยศึกษาก็คือในอธิสีและศึกษาอธิจิตตศิกษาฝึกดีแล้วก็ฝึกในอะไรฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเสร็จแล้วด้วยอุบายเครื่องฝึกอันสูงสุดอุบายเครื่องฝึกคืออะไรพูดสรุปนะพูดให้ง่ายๆหน่อ ย, อยก็บอกว่าลืมตาแล้วเจริญมรรคแปดได้อ่ะหูได้ยินเสียงก็เจริญมรรคแปดรู้กลิ่นก็เจริญมรรคแปดลิ้นรสก็เจริญมรรคแปดรับผลกระทบภพภะก็เจริญมรรคแปดคิดก็คิดไปตามมรรคแปด ถ้าทําได้อย่างนั้นแหละเรียกว่าผู้ที่ฝึกผู้ที่ทําจนสําเร็จเรียกว่าผู้ฝึกเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหรนอ้องข้าพเจ้าจะลืมตาด้วยมักมีองค์แปดสักทีหนึ่นงนะมักมีองค์แปดเป็นสมุทฐานให้มองเห็นภาษาวกเหล่านั้นท่านเหล่านั้นเป็นผู้เพ่งฌานเพ่งฌานคือเพ่งลักคนูปนิสชานเพ่งอารัมมโนปนิสตานยินดีในฌานมีความสุขกับการเพ่งเป็นนักตรัส มีจิตสงบตั้งมั่นเป็นมุนีถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนีย่อมแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อพรรษาวะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยินดีในลักคนูปนิชฌานอารัมมานูปนิชฌานยินดีอยู่ในฌานทั้งสองแล้วก็เป็นนักปราชุดคือเป็นผู้มีปัญญาจิตก็สงบตั้งมั่นเป็นมุนีคือผู้มีโมเนยธรรมทางกายวาจาและใจประกอบด้วยธรรมที่ทําให้เป็นมุนี เระฉันสรุปว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยคือพระอริยะเป็นผู้แวดแล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมีบางกลุ่มเนี่ยนะบอกว่าพระโสดาบันอยู่ท่านเดียวท่านนลที่เหลือพระอราหันต์หมดเลยโดยมากเนี่ยที่ท่านนลทาไมจึงเป็นพระโสดาบันบอกว่าถ้าท่านมีคุณธรรมสูงกว่านั้นเนี่ยในการขวนขวายศึกษาพระธรรมท่านจะลดลงทันทีคือสัจทินสีเนี่ยถูกปัญญรีเนี่ยตัดออกไป เพราะฉะนั้นพระโสดาบันนี่แหละจะจ ะ, จะทรงศาสนาได้มากได้นาน